วันนี้ธรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายในช่วงนี้ตารมกำลังนำพระไตรปิฎกมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังเรื่องของนางวิสาขาโยมนะนางวิสาขานั้นถือว่าเป็นสตรีเป็นอุบาสิกาที่มีชื่อเสียงมีกิตติศัพ์อันโด่งดังเรียกว่า ถึงพร้อมด้วยความสวยแล้วก็ความดีอะนะความสวยความสวยพร้อมด้วยความดีโยมนางนวิสาขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้ที่มีบริวารเยอะร่ารวยมากนะร่ำรวยมากโยม <c oughs> ก็นางก็ได้สร้างวิหารบุพารามถวายพระภิกษุสงฆ์นะในวันในวันถวายโยมในวันถวาย นางก็ได้ถวายปัจจัสีมากมายยมนี้พระภูมิพระภากเจ้าก็ได้ทรงแสดงประวัติความเป็นมาของนางวิสาขาว่านางวิสาขาเนี่ยเคยตั้งความปรารถนาที่จะมาเป็นอุปถาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ที่ใกล้ชิดมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนางตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ตอนไหนซึ่งโยมก็ได้ฟังมา ในวันก่อนว่านางตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าพรานว่าปทุมมุตระโยมในแสนกับที่แล้วนะนางเป็นเพื่อนนางเป็นเพื่อนกับอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคนนั้นก็เป็นอุปถายิกาของพระพุทธเจ้าพรันว่าปทุมุตระพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งอุบาสิกาคนนั้นน่ะที่เป็นเพื่อนของนางวิสาขาในการก่อนน่ะ เป็นยอดอุปถาเป็นเลิศนะเป็นเลิศจริงผู้อุปถาธิการเนี่ยทีนี้นางก็คืออดีตนางวิสาขาก็ถามว่านางทำบุญอะไรทำกรรมอะไรนะจะจึงได้เป็นผู้เลิศอุปถาธิการอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสบอกว่านางได้ตั้งความปรารถนาเอาไวา้เมื่อแสนกับที่แล้วนะนายโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะ อันนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยโยมอนนี้หญิงนั้นหญิงนั้นในที่นี้คืออดีตนางวิสาขาโยมที่ที่เป็นเพื่อนกับมหาอุบสิกาคนนั้นนะหญิงหญิงนั้นก็ได้ถามว่าบัดนี้หม่อมฉันตั้งความปรารถนาแล้วอาจได้ไหมพระเจ้าค่ะคือถ้าตั้งความปรารถนาในตอนนี้ความปรารถนาจะสำเร็จหรือไม่ทรส ศ, าศาิดาตรัสว่าอาจ ยิ่งนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะถ้ากระนั้นขอพระองค์กับภิกษุแสนรูปโปรดรับพิสขาของหม่อมฉันตลอดเจ็ดวันเถิดแสดงว่านางก็คงจะเป็นคนที่เกิดในตระกูลที่มีโภคะนะโยมนะเพราะว่าภิกษุแสนรูปเนี่ยเลี้ยงพัตนาหันตลอดเจ็วันเนี่ยมไม่ใช่ธรรมดาโยมพระศาสดาทรงรับแล้ว หญิงนั้นถวายทานครบเจ็ดวันในวันที่สุดคือวันที่เจ็ดนะได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีวรถวายบังคมพระศาสดามอบลงแทบบาทมูลตั้งความปรารถนาว่าพระเจ้าค่าด้วยผลอย่างทานนี้หม่อมฉันปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็หาไม่ ไม่ได้ปรารถนาความเป็นเท้าสก่ะไม่ได้ไม่ได้ปรารถนาความเป็นประชาบดีของเท้าสกะ่นะความเป็นใหญ่ในโลกสวรรค์นี่ก็ไม่ได้ปรารถนาเลยมอมฉันพึงได้พรเปลอประการในสำนักแห่งพระในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาเป็นยอดของอุบาสิกาผู้สามารถเพื่อบำรุงด้วยปัจจะสี อันนี้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้พร8ประการจากพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวพรแปดระการนี้มีโอกาสอาจมาจะนํามาพูดให้ญาโยมฟังอีกทีหนึ่งนะว่าพรแปดระการที่นางวิส า, าขาขอต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านางขออะไรทีนี้ก็ตั้งความปรารถนาเป็นยอดของอุบาสิกานะที่จะบํารุง ด้วยปัจจัยสี่โยมแด่พระภิกษุสงฆ์พระศาสดาทรงดำริว่าความปรารถนาของหญิงนี้จกสำเร็จหรือหนอทรงคำนึงถึงอนาคตการตรวจ ด, ดูตลอดแสนกับแล้วจึงตรัสว่าในที่สุดแห่งแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็คือพระพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละโยมจักทรงอุบัติขึ้น ในการนั้นเธอจักเป็นอุบาสิกาชื่อวิสาขาได้พรแปประการในสำนักของพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาจักเป็นเลิศแห่งหญิงผู้เป็นอุปถายิกาผู้บำรุงด้วยปัจจัยสี่สมบัตินั้นได้เป็นประหนึ่งว่าอันนางจะพึงได้ในวันพรุ่งนี้ทีเดียวนางได้ฟังพระพุทธเจ้า พระนามว่าปทถุมุตระพยากรว่าความปราถนาของนางจะสำเร็จนางรู้สึกว่าชื่นใจมากโยมปีติมากเหมือนกับว่าจะได้สำเร็จในวันพรุ่งนี้นี่แหละโยมแต่ว่าแสนกลับนะโยมแสนกลับตั้งแต่วันตั้งความปราถนามามาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราอุบัติเนี่ยแสนกลับโย ม, มนางทําบุญจนตลอดอายุไขแล้วจุติจากอัตาภาพนั้นเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมรรสโลกในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะคือก่อนพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งนะโยมเกิดเป็นพระธิดาพระนามว่าสังฆาสีผู้พระกนิษฐาของบรรดาพระธิดาเจ็พระองค์ของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิเสดพ่อของ ขอนางวิสาขายมชื่อกี่กี่นะแต่นางวิสาขาชื่อสังฆ า, าสียมเป็นธิดาคนสุดท้องเลยนะยังไม่ได้ไปสู่ตระกูลอื่นคือญาติคือว่ายังไม่ได้แต่งงานนะยมยังไม่ได้อภิเสกสมรสทรงทําบุญมีทานเป็นต้นกับด้วยเจ้าพี่เหล่านั้นตลอดกาลนานได้ทําความปรารถนาไว้แม้แท่บาดมูล แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวากัสปะว่าในอนาคตการหม่อมฉันพึงได้พรแปดประการในสำนักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เช่นกับพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมานดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้ถวายปัจจะสีก็จำเดิมแต่การนั้นนามท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุสโลก ในอัตภาพนี้ได้เกิดเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรแห่งเมนทะกะเศรษฐีได้กระทําบุญเป็นอันมากในศาสนาของเราอืโยมยมคงจะเคยฟังเรื่องของเมนทะกะเศรษฐีนะที่ว่าเป็นเศรษฐีตกยากได้ถวายข้าวจานเดียวมื้อหนึ่งนะในวัน ที่ตัวเองจะตายใกล้จะตายนะในในสมัยข้าวยากหมากแพงอะโยมโยมคงจะนึกออกนะแล้วก็มาเกิดเป็นเมนตทกาศเศรษฐีที่มีอนุภาพมากเรียกว่าอาบน้ำแต่งตัวในวันอุโบสถนี่มองเนี่ยนั่งขึ้นไปบนท้องฟ้าข้าวสาลีแดงก็ตกลงมาจากท้องฟ้าอากาศมาใส่ยุ้งฉางเต็มหมดเลยเนี่ยอนุภาพของเมนตทกาศเศรษฐีซึ่งเป็น ของนางวิสาขานะฮะโยมคงกินนึกออกนะถ้านึกไม่ออกโยมก็ลองกลับไปฟังตอนที่ว่าด้วยมเมณทกกะเศรษฐีอีกรอบหนึ่งก็ได้นะโยมเนี่ยนางก็มาเกิดเป็นหลานสาวของมเมณทกกะเศรษฐีเป็นลูกสาวของธนัญชัยเศรษฐีว่าด้วยสัตว์เกิดแล้วควรทากุศลให้มากเนี่ยโยม พระศาสดาครั้นทรงแสดงอดีตนิทานจบลงแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทิดาของเราย่อมไม่ขับเพลงด้วยประการชนิแลที่ว่าภิกษุเห็นว่าเขาไปร้องเพลงอะนะแต่เธอเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้จึงเปล่งอุทานเมื่อจะทรงแสดงธรรมตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายมาราการผู้ฉลาดทากองดอกไม้ต่างๆให เป็นกองโตแล้วย่อมทำพวงดอกไม้มีประการต่างๆได้ชันใดจิตของนางวิสาขาย่อมน้อมไปเพื่อทำกุศลมีประการต่างๆฉันนั้นเหมือนกันตรงนี้ท่านอุบมาว่าช่างดอกไม้ช่างร้อยพวงมรารัยยมเมื่อมีดอกไม้แล้วเนี่ยก็สามารถร้อยเป็นพวงมรารัยรูปร่างต่างๆได้ได้วยความชำนาญ ในการร้อยนะชันใดก็ดีบุคคลผู้ฉลาดมีปัญญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะน้อมจิตให้เป็นกุศลได้ด้วยอุบายต่างๆด้วยความเข้าใจด้วยความชำนาญในโยนิโสมนสิกาน่ะนะดังนี้แล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่ายะถาปิปุปราศิมหากิเยะกะยิรามาลาคุเรพระหงุง เอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุศลังพหงุนายมาราการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้ฉันใดมัดจุสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลไว้ให้มากฉันนั้นอ่าโยมสัตว์ที่จะพึงตายคือพวกเรานี่แหละโยม ควรทกุศลไว้ให้มากนะโยมนะตรงนี้อัตถกถาท่านอธิบายไว้นะตรงนี้ท่านบอกว่าในบทว่าในบทว่าปุกพ ร, ราสิมหาได้แก่จากกองแห่งดอกไม้มีประการต่างๆบทว่ากายิราแปลว่าพึงทมอันนี้ก็ ในบทว่ามัจเจนะความว่าสัตว์ผู้ได้ชื่อว่ามัจโจเพราะความเป็นผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลต่างด้วยกุศลมีการถวายจีวรเป็นต้นไว้ให้มากอันนี้ก็เข้าใจนะโยมเนาะท่านบอกว่าก็ถ้าดอกไม้ก็ถ้าดอกไม้มีน้อยและนายมาราการฉลาดก็ย่อม ไม่อาจทำพวงดอกไม้ให้มากได้เลยส่วนนายมาราการผู้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้แม้จะมีน้อยก็ตามมากก็ตามย่มไม่อาจโดยแท้แต่เมื่อดอกไม้มีมากนายมาราการผู้ฉลาดขยันเชียบแหลมย่มทำพวงดอกไม้ให้มากฉันใด ถ้าศรัทธาของคนบางคนมีน้อยส่วนโภคะมีมากผู้นั้นย่อมไม่อาจทำกุศลให้มากได้มีเงินเยอะแต่ไม่มีศรัทธาก็ทำกุศลได้ไม่มากอนะก็แลยเมื่อศรัทธาส่วนโภคะมีมาก ผู้นั้นย่อมไม่อาจทำกุศลให้มากได้อันนี้เข้าใจนะโยมนะถ้าหากว่าคนาบางคนไม่มีศรัทธาโยมแต่มีโภคะมากก็ทำบุญทบุญมากไม่ได้ก็แล้วเมื่อศรัทธามีน้อยทั้งโภคะก็น้อยเขาย่อมไม่อาจแลวคิดว่าศรัทธาน้อยโภคะก็น้อยก็ยิ่งไปกันใหญ่โยมนะเมื่อศรัทธาโอราณ ศรัทธามากแต่โภคะาน้อยเขาย่อมไม่อาจเหมือนกันก็แต่เมื่อมีศรัทธาโอราณและโภวฆาก็โอราณโยมศรัทธามากด้วยโภวฆาก็มากด้วยเขาย่อมอาจทำกุศลให้มากได้ชั้นใดนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นแหล ะ, ะแสดงว่านางวิสาขานั้นมีดอกไม้มากด้วยเป็นนายมาราการผู้เฉลาดด้วย ก็สมกับที่นางมีศรัทธามากด้วยแล้วก็มีโกพกทระซับมากด้วยโยมนางจึงน้อมจิตทํากุศลได้มากมายเหมือนกันเถือยโยมนะเรียกว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งโภกทระซับศรัทธาก็มากโภกทระซับก็มากโยมสําหรับนางวิสาขานี้นะพระศาสดาทรงหมายนางวิสาขานั้นจึงตรัสคําเป็นพระคถาว่า นายมาราการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้ฉันใดมัดจุสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลไว้ให้มากฉันนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโซดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แหลเรื่องนางวิสาขาก็จบโจม ตรนนี้ท่านบอกว่าอัตกถาท่านขยายนะท่านบอกว่าในบทว่าอติตังเยวากาเมสุความว่าผู้ไม่อิ่มในวัตถุ ก, กามและกิเลสกามทั้งหลายนั่นแหลไม่อิ่มด้วยการแสวงหาบ้างด้วยการได้เฉพาะบ้างด้วยการใช้สอยบ้างด้วยการเก็บไปบ้างไม่อิ่มด้วยการแสวงหาโยมโอ้โหทํางานจนไม่มีเวลาพัก ทำงานเพื่อหากามมาโยมเรียกว่าไม่อิ่มด้วยการสแสวงหาได้นี้แล้วก็อยากได้นั้นได้นั้นแล้วก็อยากได้นอนโอ้โหทำธุรกิจไม่รู้กี่อย่างโยมอันนี้ก็เรียกว่าไม่อิ่มด้วยการหานะไม่อิ่มด้วยการได้เฉพาะคือได้มาเฉพาะแล้วก็ไม่อิ่มไม่อิ่มคือว่าปรารถนาอันอื่นเรื่อยไปไว่างั้นเถอะโยมไม่อิ่มด้วยการใช้สอยนะ ใช้ใช้ใช้ใช่โยมก็คือบริโภคนั่นเองนะโยมก็ว่าใช้สอยใ น, นเนี้คือบริโภคจน uh huh, ม, มัวเมาไปเลยงั้นเถอะโยมเดี๋ยวเปลี่ยนอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนั่นเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้หรืออันเ ก, ก่าๆนั่นแหละโยมบริโภคเรียกว่าจมปลักอยู่กับการบริโภคสิ่งนั้นๆเรียกว่าไม่อิ่มด้การใช้สอยไม่อิ่มในการบริโภค ไม่อิ่มด้วยการเก็บโยมคนมงคนเก็บจนไม่มีที่จะอยู่นะบ้านหลังใหญ่หลังโตโยมหามาเก็บโยมไม่อิ่มด้วยการเก็บบาปพระคถาว่าอันตะโกกรุเตวสังความว่ามั จ, จุผู้ทําซึ่งที่สุดกล่าวคือมรณะพาณระผู้คร่ำครวนร่ำไรไปอยู่ให้ติ่งอำนาจของตนนันคือว่า มัจจุก็คือพญามัจจราชผู้ที่จะมากระชักชีวิตของสัตว์นั่นนะบุคคลผู้ที่ยังสแสวงหากรรมยังได้ไม่อิ่มบริโภคกรมยังไม่อิ่มเก็บกรรมยังได้ไม่ไม่มากเลยโยมก็ตายไปซะก่อนเขาก็คลั่มครวนไม่อยากจะจากกรามไปโย ม, มนรกเหล่านี้นะไม่อยากจะจากการรมแบงนี้ไปเลย ความตายก็มาทำให้เขาตกอยู่ในอำนาจเสร็จแล้วนะตรงนี้ท่านจริงบอกว่านารละหรือว่าสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นธรรมดาลก็ควรทำกุศลไว้ให้มากเพราะว่ากุศลนั้นจะเป็นที่พื้นของสัตว์ผู้ที่จะต้องเกิดผู้ที่จะต้องเกิดในพบหน้าพบต่อไปอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะท่านยกมาขยายตรงนี้ก็จบยมนะจบเรื่องนาวิสาขานะแต่ว่าอาตมา มาตัดตอนออนในตอนท้ายนะโยมนะตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องของนางที่สร้างบุพารามปลายพระสงฆ์นโยมถ้าจะอ่านละเอียดตั้งแต่ต้นนี่ก็คงจะมากแล้วก็ยาวคงจะหลายวันนะโยมนะยาโยมก็ฟังเรื่องของนางวิสาขาไวา้ได้เพียงเท่านี้ก่อนโยมโยมเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนะอาตมาอยากจะพูดเรื่อง พรแปประการของนางวิสาขานะที่นางตั้งความปรารถนาว่าจะได้พรจากพระพุทธเจ้า8ดข้อนี้มีอะไรบ้างอาตมาก็จะสรุปย่อๆให้ยายโยมได้ฟังนะอันนี้อยู่ในจีวันขันธากะโยมเรื่องนางวิสาขามิครามานดาเนี่ยคือหนึ่งนางขอพอรจากพระพุทธเจ้าว่า นางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นะเพราะว่าสมัยนั้นมีพระสงฆ์มีพระภิกษุเนี่ยเปลือยกายอาบน้ำโยมนะเปลยกายอาบน้าซึ่งนางให้ทาสีเนี่ยไปนิมนต์พระมามาฉันที่บ้านนี่แหละนางทาสีไปเห็นพระเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่เนี่ยนางก็เลยคิดว่าการที่พระเปลือยกายอาบน้ำ ในที่แจ้งไม่ควรก็เลยขอพรอว่าอยากจะถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พระสงฆ์อันนี้ข้อที่สองก็นางถวายอาหารบินาบาตแก่พระอคันดุกะโยมพระอคันดุกะคือว่าพระที่มาใหม่นะข้อสนะนางขอพรอเพื่อที่จะถวายพระตาหารแก่ภิกษุผู้เตรียมจะไปเรียกว่าคามิกะ ขะมีกับภิกษุนะภิกษุผู้เตรียมจะไปขอ้อที่4เนี่ยนางขอพรถวายอาหารแก่ภิกษุผู้อาพาธโยมนะกว่านางถวายพระตาหารคือขอพรเพื่อถวายพัะตาหารแก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลไข้นะพยาบาลไข้แก่ภิกษุผู้อาพาธอยู่นะภิกษุอาพาธก็เป็นอีกรูปหนึ่ง ภิกษุผู้ดูแลภิกษุอาพาธนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งโยมต่อมาก็6นะนางถวายเพสัชโยมเภัชคือยาขอพอรเพื่อถวายเพสัชคือยาแก่ภิกษุผู้อาพาธแลวก็ข้อ7นางขอพอรเพื่อที่จะได้ถวายข้าวยาคูถวายข้าวยาคูแก่พระภิกษุสงฆ์ตลอด ตลอดประจำทุกวนันทุกวันเลยนะโยมเรียกว่าตลอดชีพเล ย, เยมันงั้นเถอะโยมแล้วก็ข้อที่8ข้อสุดท้ายเนี่ยนามบอกว่าเวลาเหลือเล็กน้อยนะจตมาอ่านให้โยมฟังเลยตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ำร่วมท่ากับหญิงแพทย์ยาณนะแม่น้ำอาจิรวดีนี้หญิงแพทย์สยาเหล่านั้นพากันเย้ยหยันภิกษุณีว่าแม่เจ้า พวกท่านกําลังสาวประพฤติพรหมจรรย์จะได้ประโยชน์อะไรควรบริโพค ก, การไม่ใช่หรือประพฤติพรหมจรรย์ต่อเมื่อแก่เท่าอย่างนี้จักเป็นอันพวกท่านยึดส่วนทั้งสองไว้ได้ อ, อันนี้ก็คือว่านางไม่อยากให้ภิกษุณีเนี่ยไปเปลือยกายอาบน้ําที่ท่าน้ํากับเหล่ายิงแพร่สยานะก็เรียกว่าปาด ขอพอรเพื่อจีดะถวายผ้าอุตกะสาดกผ้าอาบน้ำฝนแก่พิกษุนีโยมอันนี้เป็นพรแปดข้อนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตรัส ต, ตรงนี้อาตมามาลัดเอาเลยนะโยมนะตอนที่สุดท้ายนะว่าดีล่ะดีล่ะวิสาขาดีแท้วิสาขาเธอเห็นอนิสงส์นี้จึงขอพอรแปดประการต่อตถาคต เราอนุญาตพรแปดประการแกเ่เธอโยข้อความตรงนี้มีอีกเล็กน้อยขอเวลาอีกเล็กน้อยนะโยมนะคาถาอนุโมทนาสตรีใดอืมขออภนะัยนะโยมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาดาด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า สตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตระหนีแล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุรีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจย่อมได้กำลังและอายุเป็นทิพย์สตรีผู้ ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยอนามมย่อมปรื่มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานอันนี้คือคือพอรแปดประการที่นางได้จากพระพุทธเจ้าสมกับที่นางได้ตั้งความปรารถนาเมื่อแสนกับที่แล้วโยมเอานะโยมเรื่องนางวิสาขาก็คงจะจบไว้ได้เพียงเท่านี้ วันนี้แต่มาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากหลานญาญมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาญมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนน้าการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร